บุกทูยี่สิบ beast การสนทนาหนึ่งก็ตโกยคูทาเยกทำตัวตามสบายครับรหัตบาชีทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะครับ منزل خودتان است คุณอยากดื่มอะไรครับ چه میل دارید بنوشید คุณชอบดนตรีไหมครับ موسیقی دوست دارید ผมชอบดนตรีคลาสสิกครับ من موسیقی کلاسیک دوست دارم นี่คือซีดีของผมครับ อินฮอซีดฮอเยมันฮัสตันคุณเล่นเครื่องดนตรีเป็นไหมครับช م มซ ا ز มีนาบอซีดนี่คือกีตาร์ของผมครับกีตาร์แมนอินจัสคุณชอบร้องเพลงไหมครับชโมเบอาวาซขานเดนเอลากดาริด คุณมีลูกไหมครับคุณมีสุนัขไหมครับคุณมีแมวไหมครับนี่คือหนังสือของผมอินฮาคัตาบไหย์แนฮัสตัน ผมกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้มัน ل อ ن น ا ر ا م ร ی มอิน ب را م ی خ อไปไ่านคุณชอบอ่านอะไรครับดาร์เช่โฮเซอีมุทอลเล่ดริดคุณชอบไปดูคอนเสิร์ตไหมครับช م มอ ل ล ق م เ د มันเป็นคอนเสิร์ตราฟตันฮัสจีดคุณชอบไปดูละครไหมครับ คุณชอบไปดูโอเปาไหมครับคุณชอบไปดูโอปาไหมครับคดูราไคุณชอบไปดูโอเปร่าไหมครับชปอ่าไหมรับดเาหรับอดโดเอเปร่าหรับคุอบไปดโราุณไปดโเ่หมอดเรหรับชอรหัชอด่าไหมัโ่าหมดอร่าัุด่าไหมุด่าุด